มเพราะว่าวิชาสังขารเป็นปัจจุบันนเหตุวิญญาณนามรูปสลายนะภาษาเวทนาที่จะไปเกิดในเป็นอนาคตอันนี้ก็ชัดนี่ก็คืออารมณ์ของวิปัสสนาจะว่างก็สอบถามกันถ้าถามเขาก็จะต้องตอบว่าปริยัติแล้วก็อ้างวัวกว่าดูก่อนอา น, นุนธรรมและ ว, วินัยที่แต่ า, าคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและ ว, วินัยนี้จะเป็นศาสดา ข, ของเธอหลังการล่วงไปแห่งเรา ตอนนี้ภาษาสดาก็ยังทํากิจของพระ อ, องค์อยู่คือพระธรรมและวินัยหรือพระัยบิดกทําไมทิ้งภาษาสดาเสียเล่าเนี่ยไหมถ้าถามอย่างเนี้ยถ้าท่านที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านจะเงียบแล้ท่านจะเอาไปคิดเลยว่าเอออะไรเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วนี่ก็จบก็หมดภาระเราเข้าใจไหมนี่นี่คือคือจุดประเด็นที่เราท่านทั้งหลายก็นําเสนอในการที่จะ กระตุ้นเตือนวิธีคิดกันในในบรรดาที่ว่ะอย่าแปลกใจสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกถ้าจะเข้าใจผิดเราเป็นมั่นานแล้วใช่ไหมนี่ก็จะทําให้เข้าใจในพระธรรมของข้าพูธมีปากจาอันนี้กลับมาเชื่อมโยงอีกเออเมื่อปฏิจจสมุบัติเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมเมื่อเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเบ็เส็จงี้เราก็มามองในด้านของเวทนาเวทนาเป็นหนึ่งในปฏิจจสมุบาทธรรมเป็นปัจจุบนันอาถาชัดเจนใช่ไหม เมื่อเวทนานี่เป็นปัจจุบันอาาัตตาเป็นอารมณ์คุยปั ส, สนานั้นชัดเจนแต่เวทนานั้นมีมีปัจจัยปัจจัยนั่นแหละคื่อนดิตเตชั่นใช่ไหมแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นมาบวกกับตัณหาอะต่างตัณหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นต้นพฤกษกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เราได้อานาคตอัตตาทีนี้ก็ไปเชื่อมดึงสูตรมาอีกใช่ไหม ดึงในพัดเทกะแล้จะสูตรมาเนี่ยมาไม่ได้ไปดูสูตรนะแต่นึกโครงโครงสร้างมาปุ๊บแล้วก็จะเห็นใช่ไหมก็จะเห็นแล้วโอ้เนี่ยนะเออเราจะเชื่อมโยงสูตรนี้ยังไงถ้าที่จําได้นี่นะถ้าเาสูตรมากลางก็จะชัดและจะยาวยาวด้วยอนะไรมาไม่ก็สันทัดในการที่จะต้องวปไล่ยาวก็ใส่แว่นบ้างดูบ้างอะไรบ้างนี่นะแต่สรุปไม่ไม่ต่างอย่างนี้ก็หมายความว่า คืออตีตังนานวาขเมยยะณปฏิกรรมที่อนาคตังเป็นโตอะไรนี้เนี่ยในสูตรเนี้ยจะยกกันมามากเนาะว่าให้ดูปัจจุบันอดีตล่วงมาแล้วอนาคตนี่เพราะไปะแปลงี้ยหมดจบเลยตรเนี้ยแท้ที่จริงในสูตรนี้ท่านจะใช้คําว่างอนเง่นและคลอนแคลนและก็ไม่งอนเง่นและไม่คลอนแคลนคําว่า ง, งอนเง่นและคลอนแคลนในเป็นชื่อของตัณหาอนาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในกระแสจิตปารับอดีต ถ้าปารลบเดตันหามนาทิถิท่านก็เรียกว่าง่อนเงันคะครแค็งในดีถ้าปารลบในปัจจุบันถ้าปารลบเดตันหามนาทิถิท่านก็จะว่าเป็นงอนเงันคลอนแค็งในปัจจุบันและอนาคตหวนถึงอนาคตเดตันหามนาทิถึกเพ้อฝันในการนี่บนเพ้อถึงอนาคตเป็นต้นเนีน่ยนะทีะ่หวังจะได้สิ่งดีดงามทั้งหลายในอนาคตก็ตันหามนาทิ ถ, ถิที่เกิดขึ้นลักษณะนี้ท่านเรียกว่างอนเงันคลอนแข็งผิดหลักทัฒนาศาสุ แม้ในปัจจุบันเห็นไมและไม่งอนแงนไม่คอนแคนท่านก็บอกว่าคือคิดถึงอดีตได้คิดถึงอนาคตได้และแม้ในปัจจุบันตั้นหามานาทิตีไม่เป็นไปในขณะนั้นทีนี้ก็มาดูแล้วว่าเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าตั้นหามานาทิตีเกิดขึ้นหรือเกิดทมานาทเกิดขึ้นชื่อว่างอนแงนคอนแคน ในปัจจุบันอันนี้ผิดหลักบนเมื่อเราปรารถนาสุขเวทนาในอนาคตหนีงอนแงนคอนแคนในอนาคตเพื่อหาสุขเวทนาในอดีตงอนแงนคอนแคนในอดีตใช่ไหมจะเห็นชัดเลยว่าถ้าเอาสูตรไหนมาจับก็ลงกันนี้นะคสอนพระเจ้าแท้ที่จริงท่านให้มีสติสัมปชัญญะในการไปวิจัยวิจัยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่ามีเหตุ จะเพ้อฝันอนาคตเด้งงอดีตเดงไงทีเนี้ยโหยหาอดีตไม่ได้แล้วเพราะทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเข้าใจปัจจัยเนี่ยชาติที่ทุกชราทุกมราณะทุกโศกกับไปรีเดวะทุกโทมมรณะแล้วปลาย ญ, ญาติที่ได้เนี่ยมันมาจะาเขตยนในอดีตถ้ายิ่งมาชมมรณะในปัจจุบันและสร้างกรรมในปัจจุบันละเราก็จะได้ทุกเวทนาในอนาคตเขาอีกเจ็บปวดเลย นี่เขาเรียกไม่งอนเงันไม่ค้อนแขนทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันแปลว่าถ้าคุณงอนเงนคอนแขนทั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันคุณตกปัจจุบันอดีตอนาคตหมดเลยคุณไม่ได้เห็นคําว่าปัจจุบันเลยคุณไม่รู้ธรรมะแจ้งในปัจจุบันน่พบเลยคุณเสียหมดแล้วนี่เริ่มเข้าใจแล้วพราเริ่มเข้าใจแล้วก็คือเจริญสติสัมปชัญญะยังไงที่จะไม่งอนเงันไม่ค้อนแขนในปัจจุบันอดีตและอนาคตก็เข้าหลักในพัทเทกและตสูตรที่พระองค์ทรงสอนแล้วให้สัตจจะรู้เห็นไหม อันนี้ปฏิบัติได้และเข้าใจได้นี่ก็สมควรเกี่ยวเวลาแล้วใช่ไหมนี่ก็มีใครถามอะไรั้มอ่ามีใครถามอะไรไหมไม่มีเนาะอ่าไม่มีก็ก็สมควรเกี่ยวเวลาอุทิศวนกุศลกัน